The n u t c r a c ก e r การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเช้าวันคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยหิมะมีเสียงข้อดังจากบานประตูสีฟ้าบานใหญ่คารา่าไปดูซิว่าใครมานะ่ะขณะที่คาร่าวิ่งลงบันไดด้วยความตื่นเต้นเธอหวังจะได้เจอคนที่แสนพิเศษและแน่นอนว่าพิเศษคุณลุงเจ๊ โอ้โหโอโหสุกสันวันคริสต์มาสแม่หนูน้อย <c oughs> คุณลุงคะหนูไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนะไม่ว่าจะโตแค่ไหนหนูก็ยังเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยของลุงแต่ลุงว่าหลานคงโตอย่างที่หลานว่าจริงๆถ้าอย่างนั้นฮ่า <c oughs> คงจะไม่ต้องการของเล่นแล้วมั้งอ๋อเลื่มที่หนูพูดไปเถอคะค่ะหนูนะ่าเป็นเด็กน้อยเท่ากับตุก๊กตาบาร์เลลิน่าที่ลุงให้หนูเมื่อคริสต์มาสปีก่อนนะคะ ลุงแจ็คเคยเป็นช่างทําของเล่นทุกปีลุงจะทําตุ๊กตาสุดวิเศษให้คลาราและฟริตซ์น้องของเธอคลารารักธนูถนอมของเล่นทุกชิ้นเธอเก็บรักษาอย่างดีในตู้ของเธอคลารามีตุ๊กตาทหารโจรสลัดบัลเลริน่านักขี่ม้ารถถังรถบรรทุกและอีกหลายสิ่งต่างจากพี่สาวฟริตซ์ไม่ธนูถนมของเล่น เขาทิ้งของเล่นวางเกลื่อนทั่วพื้นห้องปีนี้ลุงทำของเล่นอะไรให้เราหรอครับโอ้ปีนี้ลุงมีบางอย่างที่แสนวิเศษาปล้านแต่ต้องรอเปิดของขวัญคืนนี้นะโอ้คุณลุงคะได้โปรดละค่ะคืนนี้มันนานเกินไปขอละค่ะขอของขวัญตอนนี้เลยได้ไหมลุงโค้งปฏิเสธพวกเธอไม่ได้ละนะก็ได้ ยังไงลุงว่าคืนคริสต์มาสต้องเป็นคืนที่แสนมาซาจันแน่โอ้คุณลุงคะเรานี่ยไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะคะเรารู้ว่าพลังพิเศษไม่มีอยู่จริงโอ้อย่าแน่ใจนักเลยยังไงวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสโอ้ลุงทำผมห่วงนอนเลยครับเราจะเปิดของขวัญกันได้หรื อ, อยังอะเธอได้อันนี้ของหลานส่วนนี่ก็ของหลาน เมื่อฟิกซ์เปิดกล่องเขาเห็นหนูสวมชุดทหารอยู่ในกล่องฝันที่ยื่อนออกมาทำให้เจ้าหนูดูดันน่ากลัวนี่มันดูเหมือนจริงมากเลยคาร่าดูสิตัวนี้เน่ดูเหมือนจริงมากเหมือนเพื่อไปรบมาเลยแต่คาร่าไม่ได้ฟังเธอเอาแต่จ้องมองของเล่นของเธอตุ๊ ก, กตา nut cracker นั่นเองมันมีจมูกยาวเหมือนนกแก้วหัวใหญ่กว่าตัวแต่ตุ๊ ก, กตาตัวนี้ ก็มีบางสิ่งที่ไม่เหมือนตุ๊กตาตัวอื่นทําเอาคลาร่าลาสายตามไม่ได้ ฮ, ะฮะ่าฮตุ๊กตาหน้าตาน่าเกลียดจังไม่น่าเกลียดหรอกฟริตส์มันก็แค่ไม่เหมือนตุ๊กตาตัวอื่น ฮ, ะฮะ่าฮผมหมายถึงหน้าเกลียดเลยต่างหากแตกตา่างไม่ได้แปลว่าน่าเกลียดนะตุ๊กตานัดแครกเกอร์ของฉันไม่ได้น่าเกลียดโอ้เด็กๆอย่าทะเลาะกันเลยพี่พูดถูกนะฟริตส์แตกต่างไม่ได้แปลว่าน่าเกลียด นี่คือสาเหตุที่ลุงให้ตุ๊กตานี้ลุงรู้ว่าหนูต้องเห็นความสวยงามของตุ๊กตานั้นแครกเกอร์นองเหนือจากจมูกและหัวโตต้หนัตแครกเกอร์น่ะเป็นชายหนุ่มกล้าหาญและหน้าตาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แต่แรกลุงหมายความว่ายังไงมีเรื่องเล่าใช่ไหมเล่าให้เราฟังทีสิเฮ้ยฮ <c oughs> แน่นอนมานั่งเร็วอืม <c oughs> ตั้งใจฟังนะ ท่านละครหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีองค์หนึ่งเธอชอบให้ปราสาทเธอดูสะอาดหูสะอาดตาเธอถือพัดและกระจกอยู่เสมอเพื่อจะส่งว่าหน้าของเธอสวยและวันหนึ่งแม่บ้านของเธอเกิดสะดุดพรมหกลม้มและทำผนังเลอะเธอไปด้วยเคขเต็มไปหมดเลยราชินีโกรธมากเธอกรีดร้องเสียงดัง ดียังไงถึงมาทำลายความสวยงามของปราสาทของข้าทหารเอาตัวมันออกไปแม่บ้านก็โกรธมากมท่านแน่ยสนใจแต่ตัวเองไม่เคยสนใจบริวารที่ทำงานให้กับท่านเลยท่าน้าใจว่าความสวยไม่ใช่ทุกสิ่งแล้วท่านน่ะจะเสียใจกับสิ่งที่ท่านทำข้าขอสาบแช่งท่านราชินีขอให้จมูกท่านใหญ่และหัวโตวท่านจะล้างคำสาบได้ก็ต่อเมื่อท่าน สามารถแกะถั่วที่มีเปลือกแข็งที่สุดได้เท่านั้นถึงจะสามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้ราชินีนั่งร้องไห้เสียใจไม่นะไม่ข้าจะทำยังไงดีถ้าแกะถั่วไม่เป็นนะแล้วข้าจะแกะถั่วที่มีเปลือกแข็งที่สุดได้ยังไงกันท่านใดนั้นนัดแครกเกอร์ก็เข้ามาโอ้แต่ข้าทำได้ท่านราชินีข้าจะทำให้ท่านเอง นัดแครกเกอร์แกะถั่วที่มีเปลือกแข็งที่สุดท่านใดนั้นคำสาบก็ถูกล้างแต่ว่ามันเกิดอะไรกับหน้าข้าเนี่ยจมูกของนัดแครกเกอร์โตขึ้นและหัวของเขาก็ใหญ่ขึ้นแต่ราชินีไม่ใหญ่ดีโอ้เจ้าช่างอับประลักเจ้าไม่เหมาะกับปราสาทแสนสวยของข้าจงออกไปเดี๋ยวนี้ นัดแครกเกอร์จึงถูกขับไล่ออกจากปราสาทไม่ยึดธรรเลยค่ะราชนีใจร้ายจังเลยลุงเห็นด้วยดูแล้วใชไหม่ทำไมตุ๊กตานัดแครกเกอร์ของหนูหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ของพี่ผมจะเอานัดแครกเกอร์ไหนบอกว่าไม่ชอบยังไงล่ะลุงให้พี่นะน้องนะ่าไม่เก็บรักษาตุ๊กตาตัวเองด้วยซ้ำแต่ฟิสไม่ยอมเขาอยากได้ตุ๊กตานัดแครกเกอร์เขาพยายามแย่งมันมา ทั้งสองแย่งตุ๊กตาไปมาจนกระทั่งแขนตุ๊กตาหลุดออกมาเฟิชจึงยอมปล่อยมือเอ อ, เออผมเออผมผมขอโทษครับพี่ <c oughs> ตุ๊กตานัทแครกเกอร์ของฉัน <c oughs> เออรอเด็กๆวันนี้เป็นวันคริสต์มาสวันที่แสนวิเศษไม่ต้องห่วงตุ๊กตาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลุงจะซ่อมให้ แต่คืนนี้ต้องวางมันที่ตายตนคริสต์มาสทั้งคืนตกลงไหมเขาจะได้หายดีเอานี่ลุงไปก่อนแล้วนะดูแลตุ ก, กาตาของหนูให้ดีนะคลาร่าบ่านนี้เขาต้องพึ่งสิ่งมาหัศจรรย์แล้วคืนนั้นคลาร่านอนไม่หลับเธอเอาแต่นึกถึงตุกตานัดแรกเกอร์เธอเลยไปหาตุ ก, กาตาของเธอ เธอวางมันไว้บนตักกอดแน่นจนเผลอหลับไปไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นตุ๊กตาหนูสวมชุดทหารมันถือดาบเดินเข้ามาหาคาร่าจูจ่ๆก็มีกองทัพทหารหนูเดินตามหลังมาทุกตัวเตรียมเข้าโจมตีเธอคาร่ายืนขึ้นเพื่อให้พวกหนูกลัวแต่เธอกลับพบว่าเธอเองก็ตัวเล็กเท่ากับหนู เธอกลัวจนตัวสัตว์และแล้วตุ๊กตานัดแครกเกอร์ก็มีชีวิตอกคลาร่าไม่นะนัดแครกเกอร์วิ่งไปในห้องคลาร่าเดินเข้าไปที่ตู้เธอนี่ทุกคนฟังคลาร่ากำลังเดือดร้อนเราทุกคนจะต้องไปช่วยเธอตามฉันมาเร็วของเล่นทุกชิ้นของคลาร่าวิ่งลงไปเพื่อช่วยคลาร่าและทันใดที่ไปถึงก็เกิดการต่อสู้ระวังหนูและของเล่น คาร่าวิ่งไปหลบหลังต้นคริสต์มาสของเล่นต่างสู้ด้วยความกล้าหาญแต่พวกหนูมีจำนวนมากกว่านัดแครกเกอร์บาดเจ็บสาหาัสหนูพากันรุมเขาอ๋อไม่นะนัดแครกเกอร์ของฉันหนูเห็นหัวหน้าล้มกองกับพื้นต่างพากันโกและหนีไปพวกของเล่นฉันนะออนัดแครกเกอร์ได้โปรดลืมตาที่เถอะได้โปรดละ ไดด้ปรคลาร่าร้องไห้ต้นคริสต์มาสก็เปลงประกายแสงอ๊ะอ๊ะนัทแครกเกอร์กลายเป็นเจ้าชายรูปงามถ้าเป็นใครนะ่ะจำข้าไม่ได้เหรอข้าก็คือนัทแครกเกอร์ท่านล้างคำสาปให้ข้าคลาร่าท่านเห็นความงามของข้าที่ถูกบดบังด้วยจมูกและหัวโ ต, โต ก่อนที่คลาร่าจะพูดเสียงเปนโน อ, อันไพเราะก็ ด, ดังสิ่งที่เกิดหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แสนอัศจรรย์คลาร่าเต้นรำอย่างมีความสุขกับตุ๊กตานัตแครกเกอร์คลาร่าลูกนอนตรงนี้ทั้งคืนเลยเหรอเอเอเ อ, อะไรนะคะทาหารหนู่ไปไหนแล้วล่ะคะหนัตแครกเกอร์ของดูอยู่ที่ไหนมันอยู่ในมือของลูกไงล่ะจ๊ะคลาร่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่า อรุณสวัสดิ์ทุกคนคร่าร้านนอนใต้ต้นคริสต์มาสทั้งคืนเลยเหรอเ อ, อ่อลุงคะนักเครกเกอร์กลายเป็นเจ้าชายรูปงามคะ่ะเมื่อคืนเขามีชีวิตจริงๆด้วยนะคะผู้ทหารหนูก็ด้วยพวกของเล่นต่อสู้กันลูกกว่าเต้นรำกันด้วยล่ะค่ะอะไรนะเออลูกกว่าเต้นทหารหนูต่อสู้กันเหรอรู้สึกผิดเลยเราทำของเล่นพี่พังทําให้พี่เราเป็นบ้าเลยเหลอนเนี่ย <laughs> คลาร า, ลาเอาอตุ๊กตาหนัตแครกเกอร์ไปเก็บในตู้แล้วลงมาทานอาหารเช่ารวยกันดีไหมค่ะลงุงคลาราไม่โกรธที่ไม่มีใครเชื่อสิ่งหนึ่งที่เธอรู้ก็คือเธอเชื่อว่านัตแครกเกอร์มีอยู่จริงวันหนึ่งเมื่อเธอโตขึ้นเธอจะได้พบเจ้าชายนัตแครกเกอร์ของเธอและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขในห้องของคลารา เธอเก็บนัดแครกเกอร์ไว้ในตู้และลงไปทานอาหารกับครอบครัวไม่ว่าอย่างไรก็ตามคริสต์มาสคือช่วงเวลาที่สุดแสนวิเศษ